ถ้าต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้ดี ใ, ใจอย่าให้ใจมันวอกแวกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนี่แหละหมดใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อฝึกใจนี้ไม่ได้ ก็ทำความดีให้ทุงขึ้นไปไม่ได้แ่เกิดถึงความเป็นอยู่ภายนอกก็ลำบากเมื่อใจไม่ดีแล้วเพราะว่าใจเป็นผูกม่งกานให้กายทำให้วาจาพูด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 หากไม่ละมันแล้วนะมันอัดอันเต็มขีดมนแล้วมันก็ระ บ, บาดออกมาทางกายทางวาจามันเป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ภายในจิตใจนั่นนานไม่ได้หรอกต้องแสดงออกเพราะว่ากายวาจานี่เป็นที่แสดงออกเป็นที่ระบายอารมณ์ของจิต เมื่อจิตมันข้า่งอยู่ด้วยอารมณ์อะไรมันก็แสดงออกมาให้คนภายนอกได้รู้เช่นจิตมันยึดมั่นในความโกรธไว้อย่างนี้นะทีแรกก็อดกั้นไปแต่ไม่มีปัญญาที่จะทำให้มันเบาบางระงับลงไปได้อดไปอดมา มันมันมากขึ้นพอพอมันก็ทนไม่ไหวก็จึงระเบิดออกมาทางกายทางวาจามีเรื่องอะไรไม่พอใจนิดหน่อยก็เป็นมากไปเลยวันนี้นะแสดงความโกรธออกมาอย่างรุนแรงไม่ได้ยับยั้งทั้งใจเลย อันนี้แหละที่จิตใจมันยึดมั่นอยู่ในอารมณ์ในเรื่องต่งตางๆนั้นจึงว่าไม่ดีจึงควรภาวนากำหนดสอนใจให้ละเว้นมันเพ่งใจเข้าไปเพง่งเอาน้มสติเข้าไปเพ่งใจสอนใจให้ละอารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดมันถือไว้จะเป็นอารมณ์ที่น่ารักก็ดีน่าเกลียดน่าชังก็ดี อารมณ์ที่ให้เกิดความหลงความเมาเช่นความเพลิดเพลินต่างๆนั้นๆก็ดีหมู่นี้นจะไปเก็บกักมันไว้ในใจเมื่อมันเกิดขึ้นมาเวลาใดเรารู้ตัวรู้จักอารมณ์เหล่านั้นเมื่อใดเราก็กำหนดใจละมันไปเมื่อนั้นละมันไปจนแล้วมันดับ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 ก็จึงได้ยึดถือเอามันไว้ถ้าไม่ชอบแราจะไปยึดถือเอาไว้ทำไมบ้านีนน้แสดงว่ามันชอบแล้วที่มันชอบเพราะถูกอวิชชาตันหาครอบงมจิตใจเห็นชั่วเป็นดีไปเห็นดีเป็นชั่วไปอย่างนี้นะเห็นว่า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 ความใคร่ในมันไม่ดีเมื่อเห็นว่ามันไม่ดีอะไรอย่างนี้มันก็ต้องกำหนดละกันเลยแล้วก็ทานี่ตัวเองทำไมจุไปสร้างความรักความกำหนักยินดีต่างๆขึ้นในใจเพราะมันเป็นของร้อนภาษาสดาทงรงตลาดโวยว่ารักคัีนา ความกำหนัดยินดีเป็นของร้อนโทสักคีนาความกโกรธความคิดประทศรายจึงกระกันเป็นของร้อนโมหะคินาความหลงความไม่รู้จริงในเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงแล้วก็หลงว่งไปตามอำนาจของกิเลสตัหา แล้วก็ทําใจให้เราร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าโมหะคีนาร้อนเพราะความหลงใครเป็นผู้ร้อนบัางนี้นก็จิตแลเป็นผู้ร้อนอร่างกายมันไม่ได้ร้อนจิตต่างหากมันร้อนอร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะ ร้อนเพราะไฟสามกองเหล่านี้แหละร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่าตาหูจมูกเล่นกายอาวิชะทุกส่วนนี่ล้วนแต่มีความแปรปรวนแตกกลับเป็นที่สด ระหว่างที่ยังไม่แตกไม่ดับนี่มันก็ร้อนเพราะความจำรุดทุดโทมของร่างกายต้องประครบปังงมอยู่อย่างนั้นแหละวันนี้เมื่อเวลาจวนจะตายก็อกลัวตายไม่อยากตายก็ร้อนใจร้อนอย่างไรไมัจจุราชมันก็ไม่ให้อภัย มันก็ฉุดคลา้าเอาดวงจิ ด, ด้พรากจากร่างกายออกไปจนได้ <c oughs> อร้อนเพราะความโศกความเศร้าความเสียใจความพิไร่ลำพันธ์ความรับแค็งใจความหิวแห้งใจมูนี่มันเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลยความร้อนทั้งหลายเหล่านี้ เพราะฉะนั้นแหละพระศา ส, สดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาให้เห็นความร้อนของตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นคือว่าตาหูจมูกเล่นกายใจนี่เป็นสื่ อ, อรับรู้อารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่จิตใจ เมื่อใจไม่รู้เท่าใจไม่มีปัญญาใจก็เดือดร้อนไปกับตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นหมายความว่าอย่างนั้นที่ว่าร้อนในที่นี้เนะ่ะใจนั่นแหละร้อนอย่างเดียวเมื่อฝึกจิตใจให้สงบระงรับตรงไปได้ปัญญาบาังเกิดขึ้นยกจะมองเห็นว่าไม่มีอะไรร้อนแบบ น, นี้นะนั่นเอง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 ก็สักแต่ว่าทาั้งนั้นเนี่ยสักแต่ว่าถูกต้องความสัมผัสทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานี่เนะมันเป็นจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณ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 จะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าอะดุขามาสุขเวทนาเวทนาคือจิตสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างสวยอารมณ์เป็นทุกข์บ้างจิตสวยอารมณ์อันเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอันบูนีถ้าบุคคลไม่รู้เท่าแล้วก็ร้อนทั้งนั้นแหละ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 ไม่มีทิศมีสงอะไรเพราะว่าใจไม่ส่งเสริมตาเห็นรูปอย่างนี้ใจก็รู้แล้วว่ารูปนั้นไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปแตกดับลงไปก็เป็นธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมของเราไม่ได้เป็นอย่างอื่น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 นานาประการนี่เมื่อเราหัดทำสมาธิภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้มันจิตนั้นได้มองเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายและสิ่งที่แวดล้อมร่างกายนี้อยู่ให้เห็นว่ามันเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภยัย อันตรายต่างๆอยู่แวดล้อมโดยรอบทีเดียวหละภัยเหล่านั้นน่ะถ้าเป็นภัยกุศลก็ไม่เป็นภัยต่อชีวิตจิตใจถ้าเป็นภัยอกุศลก็เป็นภัยเช่นตาไปเห็นรูปอย่างนี้นะถ้าเห็นรูปที่น่ารักก็หลงรักหลงใครเอาซะ ย้ลืมหูหูลืมตาไม่ขึ้นเลยนี่แต่เป็นเห็นรูปที่น่าเกลียดหน้าชังมันก็โกรธความโกรธนั่นก็เผาจิตให้เราร้อนความรักนั่นก็เผาจิตให้เราร้อนไอ้อย่างนี้แหละคิดดูให้ดีไอ้การที่จิตใจไม่ไม่ได้ฝึกขนอบรมไม่รู้เท่านะ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 เป็นอย่างนั้นมันเย็นแลลวเพราะเหตุว่ามองดูอะไรก็สักแต่ว่าทางนั้นไม่ใช่สัตไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยก็เมื่อมันมองเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแล้วเช่นนี้มันก็หายมันก็บรรเทาความร้อนร้อนต่างๆได้มันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่า เขาด่ามางี้นะจิตมันก็รู้แล้วว่าเขาด่าธาตุสี่ขันห้านี้สังหะเขาไม่ได้ด่าเราเราไม่มีอยู่ในขันห้านั้นไม่มีจริงๆถ้าขันหน้าเป็นของเราจริงมันก็บังคับได้สิบังคับมาให้มันแก่มันเจ็บมันตาย มันก็ไม่แก่ไม่จิบไม่ตายเลยถ้าบังคับได้นะนี่การเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเพจรณาเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้จิตใจจึงไม่เรับร้อนกับตาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นเลยเพราะว่าตานี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุสีขันหน้าเหมือนกันนะ มีรูปมีนามอยู่ในนี้เสร็จหูจมกูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนะมีรูปมีนามมีขันธ์ห้า น, นั่นแหละอยู่ทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีใจหรือจิตนี่เป็นกลางแบบนี้นะอันนี้จิตนี่แหละแผ่กระแสะตนออกไปอยู่ตามตาตามหูตามจมูกตา ม, า ม, ม, ตามลิ้นตามกายตา ม, มจิตใจนี่ มันแพ่ความรู้สึกออกไปท่านเรียกว่าวิญญาณอย่างนี้แหละอันกระแสของจิตเหล่านี้แหละมันไม่เที่ยงไปยังหยุนเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอ้าวทำไมมันดับไปความรู้ทำไมมันจึงมีอยู่ไอ้ความรู้นั่นแหะมันมันอยู่ที่จิตนี่ ส่วนานา ม, มาทำนั้นเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแต่ความรู้สึกอันจิตเดิมใจเดิมนี่นะมันไม่มันไม่สูไม่หายเมื่อต่อเมื่ออาศัยร่างกายนี้ไม่ได้แล้วร่างกายนี้มันแตกตะวกขี ก, กันแล้วมันจะแตกกรดับแล้วนั่นแหละจิตตรงนี้ถึงได้เคลื่อนจากที่ออกไป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 เนี่ยพากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นอพิจารณาอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องรวมลงสู่จิตนี่มันจึงถูกต้องเพราะว่าสุขทุกข์กดีชั่วอะไรมันเกิดจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยไม่ได้เกิดอย่างกับอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นมันคิดนึกอะไรไม่ได้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 มันจะไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้นะแต่ไม่อยากได้แต่ต้องหักอาศัยมันอยู่อาศัยมันแต่ไม่ติดมันไม่ค้องกับมันไม่สำคัญเป็นของเราเหมือนอย่างบ้านเรือนอย่างนี้เอาสร้างขึ้นแล้วเราก็อยู่อาศัยไปอย่างนั้นแหละก็ต้องมาพี่นาให้รู้แจ้งในเรือนนายอีกทีนึง เรือนในมันก็เป็นอย่างเรือนนอกนั่นแหละมีโครงสร้างหลายอย่างมีผมขนเละันหนังเป็นต้นเหล่านี้เป็นโครงสร้างของรูปกายอันนี้เนี่ยต้องพิจารณาแยกแยะออกดูแล้วเราจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเป็นของของเรา มองเพ่งอยู่ยภายในนั่นแ่ะเห็นเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลอันนี้แหละจึงว่าอนัตตานุัสสนาเห็นแจ้งในนามในรูปนี้ว่าเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลแต่ว่ารูปกายอันนี้มันก็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 มันไม่ได้สูญหายแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงลงไปเท่านั้นเองแหละอืมมันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่ารูปกายอันนี้เนะี่ยมันมีกรมดีรมชั่วที่ดวงจิตดวงนี้แหละอาศัยกายแต่ก่อนนู่นนะสร้างเอาไว้ สังสมไว้ในจิตใจนี่แหละบัดนี้เมื่อร่างอันนั้นมันสมรุดสมสมเต็มที่จิตอาศัยไม่ได้แล้วกรรมดีกรรมชั่วที่จิตมันสร้างมันยึดถื อ, อไว้ก็เป็นพาหานะนำดวงจิตนี่ถ้าหากว่าบุคคลมีบุญพอสมควรพอจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไอ้กรรมดีนันมันก็นำดวงจิตนี่มาปฏิอาศัยาธาตุของบรรดาบิดา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 แต่ถ้าบาปแต่งนะีมันให้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบย่อมเสียหายบุกรข้องอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นต้นว่าขาด้วนแขนด้วนมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าบาปมันติดตามมาตกแต่งตั้งแต่ชาติก่อนตนไปตัดขากบกขาเขียด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 อดีตการพระพุทธเจ้านำเรื่องราวของนางโรฮินีมาแสดงให้พุทธบริษัททังหลายฟังนางโรฮินีี่เป็นน้องสาวของพระอนุรุทธะเชื้อสายสักยราชนั่นแหละมานี่โยมานั่นแหะ กรรมในอดีตทนหลังนั้นน่ะติดตามมาทันเอาบันดาลให้นาเกิดตุ่มผุพองทั่วร่างกายเลยน้ำเหลืองไหลยเยิ้มไปเลยทีเดียวก็ได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงผู้พระอนุรนุทธะนี่จึงได้เน้นำให้เธอนั่นสร้างสาราหอฉันขึ้น แล้วก็นิมนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันบินธบาตในหอฉันนั้นนางก็เลยจัดก็ทำขึ้นแต่จะทำในวัดหรือทำในบ้านไม่กล่าวไว้ชัดเจนเข้าใจว่าจะน่ะทำในวัดนั่นแหละแต่ว่าในเรื่องมันสัมพันธ์อยู่กับในบ้าน เข้าใจว่าบ้านนั้นจะอยู่ใกล้วัดคงจะเป็นอย่างนั้นมเมื่อสร้างเสร็จแล้วขอให้เธอนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ไปฉันมินทบาทเธอก็ทำตามนั้นถึงวันเวลาแล้วพระพุทธเจ้าองค์และพระสงฆ์ก็เสด็จไปที่ศาลานั้นแล้วเมื่อคนทั้งหลายน้ม อ, อาหารมา จะใส่บาตรพระองค์ก็ชำเลืองดูไม่เห็นนางโรฮินีระทรงรับสั่งถามว่านางโรฮินีไปไหนมีผู้ทูลว่าอยู่ในห้องเพราะละอายใจว่าร่างกายตนไม่สะอาดจึงไม่กล้าออกมาเพ้าพระสาสดตบัดนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่า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 คือความเป็นตุ่มแล้วก็เปื่อยเน่าน้ำเหลืองไหลเยิ้มแล้วหายหมดไปเลยร่างกายของนางก็เลยเป็นปกติตามเดิมมีผู้ทูลถามว่านางเราทีนี่ได้ทำกรรมทาเวรอะไรมาแต่ก่อนหนอพระเจ้าข่ามก็องค์แก้วจย่งในทรงตรัสว่าตั้งแต่ชาติก่อนโน่น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 โกรธของพระราชามากพระราชากดเที่ยวไปหาตั้งแต่นางสนมคนนั้นไม่เอื้อเฟื่อกับภรรยาหลวงอย่างนี้นะไม่ไม่เมียหลวงเนี่ยก็เลยไม่พอใจซะแล้วโกรธขึ้นมาโกรธขึ้นมาแล้วก็ ไปเอาหมาตําแหน่นี่นะแต่ภาคกลางเขาเรียกว่าหมาไมเอามาขุใส่ที่นอนของนางสนมคนนั้นโดยเวลาที่เขามาอยู่เอาไปขุไว้ในที่นอนนั้นกระจายไปทั่วเมื่อหญิงคนนั้นมา เข้านอนลงไปในที่นอนของตนนั้นกน็เกิดคันเกิดคลายขึ้นมาทั่วตัวอะไรแบบนี้นะอออย่างนี้เลยเกิดคันเกิดคลายขึ้นมาเกาเข้าไปก็งเกิดน้ำเหลืองไหลเ ย, ยิ้มอได้รับทุกขเวทนาพอสมควรทีเดียวจนกว่าจะพยาบาลรักษามันหายไปได้ กรรมอันนั้นแหละติดสอยห้อยตามมาเมื่อสนองเอานางโลหินีนี่นะอยู่ดีๆมันก็ไม่มีใครทำให้หรอกอันนี้นะกรรมในอดีตต้นมันมาสนองเอามันทำให้เกิดตุ่มพันเกลียวเข้าไปแล้วมันก็เปื่อยก็ผุออกไป น้ำเหลืองก็ไหลเยิ้มบ้านี้่ได้เสวยทุกเวทนาอันนี้แหละเรื่องกรรมดีกรรมชั่วที่คนเรากระทามานี่ทํามาอย่างไรมันก็ให้ผลมีลักษณะอาการคล้ายคลึงกับที่ทํากับบุคคลอื่นมาแต่ก่อนนั่นแหละมันเป็นยางไงเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรทั้งหลายเหล่านี้แล้ว ก็อย่าไปทาอย่าไปรู้อำนาจแก่ความโกรธความโกรดนี่มันทำให้เกิดความพยาบาทเมื่อความพยาบาทมีแล้วมันก็พยายามในวันนี้นะพยายามทำความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ตนพยาบาทจองเวนนั้นเมื่อได้ชักช่องได้โอกาสเมื่อได้เมื่อก็ทาลงไปเลย อือไปอย่างนั้นแล้วเมื่อทําลงไปนั้นคนทั้งหลายไม่ไม่นึกหรอกมันนึกว่ากรรมนั้นมันจะตามสนองตัวให้เป็นทุกข์ถ้ามันนึกได้มันรู้ได้อย่างนี้แต่ก่อนทําอย่างนี้มันก็ไม่ทํำเละมันกลัวกรรมเวลานั้นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในภพในชาติต่อไปมันก็เว้นได้อื อันที่มันเว้นไม่ได้มันทำเน่ยก็เพราะมันไม่รู้นั่นแหละไม่รู้แล้วก็ไม่กลัวบาปกรรมที่ทํานั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้เลยเมื่อโทสะครอบงำจิตใจแล้วมันมื่นมลไปหมดมองไม่เห็นโทษเห็นคุณอะไรเลยอย่างนี้นะดังนั้นนะ่ะทุกคนต้องระมัดระวังจิตใจของตนให้ดี อย่าให้กิเลสเหล่านี้มันครอบงามจิตให้ได้เดี๋ยวมันจะหลงทำชั่วโดยไม่รู้ตัวดังที่นิทมนิทานที่เล่าให้ฟังมานี่แหละจงเพียรพยายามภาวนาสอนใจให้ละมันให้เบื่อหน่ายมันกิเลสเหล่านี้นะอย่าไปเห็นว่าเป็นของดีมันไม่ดีหรอกจะดียังไงล่ะเหมือนเป็นคำเปเวรตามสนอง ไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่เมื่อบคุคคลผู้ที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วทั้งๆดังกล่าวมานั่นน่ะถ้าหากว่าเป็นผู้มีศีลมีตั้งจิตจิตเจตนาวิรัติละเว้นจริงๆมันก็ไม่ได้ทำแหละกรรมชั่วทั้งๆแต่ถ้าหากว่าบคุคคลใดเป็นผู้คิด ทำกรรมชั่วขึ้นมาใส่ตัวเองนั่นก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้นน่ะยังไม่เห็นโทษเห็นภัยของกรรมชั่วต่างๆเหล่านั้นดังนั้นอย่าพากันไปนิ่งนอนใจให้พึ่งพากันเพ่งกรวดกลาดูจิตใจของตนให้ดีว่ามันมีกิเลสอะไรที่มันออกหน้าออกตาเพื่อน อยู่ในใจของตนนี่อนะืมีแต่ตัวใครตัวเราเท่านั้นแหละที่จะรู้เรื่องของตัวเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้ดอกแม้แต่พระพุทธเจ้าพราะองค์ก็จะไม่ได้ตามจะไม่ได้ส่งพยาณไปดูกิเลสของคนทั่วไปพระองค์ก็ส่งพยานแผ่ไปอยู่อย่างนั้นเถยๆนี่แหละ ถ้าใครเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าพอสมควรพอที่พระองค์จะโปรดเอาได้เนี่ยก็ไปต้องถ่ายพยานของพระองค์เท่านั้นเองนะอืแต่ก็เป็นบางครั้งบางคราวที่พระองค์กรวจ ด, ดูสัตว์โลกพระองค์ไม่ได้กรวจ ด, ดูบ่อยนักเช่นอย่างว่า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 อุปนิสัยใจขอของคนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตรวจ ด, ดูไปแล้วผู้ใดที่มีบุญวาสนาบารมีจะได้บรรลุมรรคธรนมวิเศษอะไรพระองค์ก็รู้แจ้งในจริตทิฏัยของคนผู้นั้นหรือคนหมู่นั้นแล้วก็รู้ทั้งธรรมะที่จะแสดง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 เพราะมันไปตรงกับจริตของตัวเองเหมือนเป็นพระธรรมที่ไปกาจัดกิเลสออกจากหัวใจของตนเองได้นั้นจึงพออกพอใจในธรรมะนั้นดูดดื่มทราบซึ่งบริใจมันกร็รวมลงสี่เพราะว่าพอองค์เจ้าแสดงธรรมก็ที่ลงไปที่จิตนั้นทำจิตให้ดีอย่างนี้ ฉะนั้นก็ทำจิตให้ตั้งมั่นให้สงบลงไปพิจารณาตามธรรมะที่พระ อ, องค์เจ้าแสดงนั้นคันเมื่อพระ อ, องค์แสดงทำให้จบลงคนผู้นั้นหรือคนหมู่นั้นก็ได้บรรลุมรผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งตามวาสนาบา ร, รมีของตนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ การทำบุญกุศลการฝึกตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีนี่เนะีจึงเป็นสิ่งที่ควรทำโดยแท้เพราะเมื่อสั่งสมบุญกุศลไปหากยังไม่แก่กล้าพอที่จะได้บรรลุว่ตผลในชาติปัจจุบันเช่นนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติด ต, ตามไป หากว่าเมื่อไปเกิดร่วมกับศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหมายความว่าไปเกิดร่วมพระพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อพระองค์เล่งงานสองสันโลกบุคคลผู้นั้นก็จะไปต้องขายพยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงรู้ชัดว่าผู้นี้ อินทรบารมีแก่กล้าสมควรจะได้บรรลุมรรคในขณะาาขระพวกก็รู้หมดแหละแม้จะอยู่ไกลภายในพวกองค์ก็เสด็จไปโปรดถ้าทรงพระดำเนินด้วยพระบาทไม่ไหวก็เข้าชาและห อ, อไปอย่างนี้แหละห อ, อไปแล้วก็ไปลงหมู่บ้านนั้น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 ท่านนั้นเมื่อพระองค์เจ้าแสดงธรรมจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวัฒนะบา ร, รมีของตน อ, ง น, น, นอย่างนี้ถ้าบรรลุโสดาบันยานนี้ท้าก็ะกล่าวคำปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ ล, ลึกตลอดชีวิตอย่างนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละประวัติความเป็นมา ของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกพุทธบริษัททั้งหลายก็ขอให้พากันศึกษาหรือสับผับฟังเมื่อจำได้แล้วเอาไปคิดไปกลองให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อสรุปลงแล้วเท่าที่แสดงมานี่นะก็แสดงให้เห็นว่า บุคคลจะพ้นทุกพ้นภัยไปได้ก็เพราะอาศัยความภาคเพียรไม่ ย, ยามสั่งสมบุญกุศลนี่ให้มากขึ้นไปโดยลาดับบุคคลจะพ้นทุกได้ไม่ไดอ้อาศัยสิ่งอื่นหมายเขา่าอย่างนั้นอาศัยบุญกุศลนี่โดยตรงเลยทีเดียวไม่ใช่โดยอ้อมแล้วแต่ต้องบําเพ็ญให้มันมากอืม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 ไม่มีอะไรที่จะนำดวงคิดนี้ให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไปได้นำให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่นะบุญกุศลเท่านั้นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าสุขขคุณยัตถาอุจเยโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้ ทุกโหปปาป ะ, ะอุเชยโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้อืมการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขนี่ผู้ใดสั่งสมบุญน้อยก็มีความสุขตามน้อยผู้ใดสั่งสมมากก็มีความสุขตามมากผู้ใดสั่งสมบุญจนเต็มบริบูรณ์แล้ว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 เราก็รู้กันอยู่ทั้งนั้นแหละเช่นสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการท่องเสพการมคุณต่างๆโมนี้นะเป็นสุขชั่วแร่นทั้งนั้นเลยโบราณท่านเปรียบเทียบไว้เอาเหมือนอย่างตากช้างพับหูงูแลแ บ, บลิ้นเท่านั้นแหละแล้วก็หายไปอย่างนี้นะนักปราชถนผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่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 ในบุญในกุศลเสีย yeah. ขอจะให้เกิดความเห็นผิดว่าบุญไม่ได้ช่วยคนในพ้นทุกไปได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่เทวดาอินพรมนู่นจะมาช่วยคนในพ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้ถ้ามีผู้ใดมาออกความคิดความเห็นอย่างนี้ไอ้ผู้ที่ได้ภาวนา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 ไปยึดเอาต่บุญไว้อย่างนี้นะมันจะพ้นทุกได้ยังไงไอ้มัติของเกจิอาจารย์บางท่านบางองค์บางหมู่ก็มีความเห็นอย่างนี้ก็มีนี่แต่เมื่อมาวิิีใัยดูเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้อง ก็เมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มบุญกุศลยังกาจัดกิเลสออกากะจิตใจนี่ให้หมดไปไม่ได้แล้วใจมันจะละอุปทานในขันหานี่ได้อย่างไรแล้วมันละไม่ได้อให้เข้าใจการที่จิตมันจะละอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าหรือนอกขนันหน้าออกไปได้ก็พราะอาศัยบุญบำเพ็ญบุญกุศลมันเต็มมันเข้าขั้นแล้วมันบุญกุศลนั่นมารวมตัวเข้าเป็นตัวปัญญาปัญญาสอนจิตให้เห็นโทษของความยึดความถือในขันทั้งห้านี่พอทุกรวบยอดแท้ๆแล้วก็มาเกิดจาก ใจที่มายึดถือขันหน้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนเนะี่อมันจึงได้เป็นทุกข์เมื่อปัญญาประพิจารณาเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วประกอบกับบุญกุศลมันเข้าขั้นอย่างว่านั้นนี่ยมันก็เลยหลุดพ้นไปได้อืละอุปทานอันนั้นได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าการละอุปทานนี่มันก็เป็นขั้นตอนเหมือนกันนะอื เริ่มต้นตั้งแต่ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในบาปอากุศลนั่นแหละได้ก่อนก่อนอื่นนะเมื่อลักอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในบาปอากุศลได้มันก็เป็นอันว่าละขันหะอันเป็นสวยอันเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายอากุศลได้เนี่ยเข้าใจให้เข้าใจมันถูกต้อง คราว น, นี้เมื่อลักขันห้าเป็นฝ่ายอากุศลได้ก็ยังมาติดข้องอยู่ในขันห้าอันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนั้นก็ความเพนบุญกุศลไปมากเข้าไปมากเข้าไปบุญกุศลมันก็หลอมตวงเข้าเป็นปัญญาปัญญาก็มองเห็น ว่าขันห้านี่ถึงแม้จะบุญตกแต่งให้ก็ตามแต่บุญนี้มันก็มีขอเขตจำกัดเมื่อมันตกแต่งมันรักษาขันห่านี้ไปได้กําหนดของมันแล้วมันก็ดับไปบุญนี้นะบุญเก่าที่ได้ ท, าทํามาแต่ก่อนนะเมื่อบุญเก่านั้นดับลงไปแล้วขันห่านี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แม่บุคคลนั้นจะทําทบุญกุศลในปัจจุบันในชาตินี้มากมาอย่างไร ก็ต่ออายุให้ไม่ได้หมุนเก่าหมดแล้วก็ต้องแตกกับทําลายลงไปเมื่อเป็นเช่นนี้จะมาถือมั่นว่าเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละปัญญามันสอนจิตเข้าไปบ่อยๆเข้าไปแล้วมันก็ค่อยคลายความยึดความถือขันน่านั่นไปเรื่อยๆแล้ววะนี้นะแต่มันจะละทีเดียวให้ขาดเด็ดไปเลยมันไม่ได้เพราะอินทรีย์มันยังโอน ถ้าผู้ใดที่ท่านมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วบุญกุศลท่านเพียบพร้อมแล้วท่านโบรนาณนกละอุปทานความยึดมั่นในขันห้านี่ได้โดยเด็ดขาดไปเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นะขอให้เข้าใจมันถูกต้องข้อสำคัญเรื่องการละอุปทานนี่สำคัญกว่าเพื่อนนี่ได้แก่ละอุปทานในเรื่องบาปอกุศลนี่แหละ ถ้าบุคคลใดไม่ละความยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางออกไปแล้วบุคคลจะไปละอุปทานชั้นละเอียดขึ้นไปนั้นไม่ได้เลยก็ติดอยู่ในอุปทานขั้นหยาบนี่แล้วก็ไปทำบาปทำกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นสังสมบาปกรรมใส่ตัวเองเพราะมันละเชื้อของบาปไม่ได้นี่ อย่าง น, นี้มันก็ทํำบาปใ้แก่ตัวเองมากเข้าโดยลําดับมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะเหตุดังนั้นมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้แบบนี้นะบาปกรรมนั้นมันก็นําให้ไปเสวยทุกข์ในอบ า, ายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มึงเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงเห็นว่า การละอุปทานในบาปกรรมนี่นะเป็นสิ่งสําคัญมากนั่นแหละเพราะเมื่อเมื่อละอุปทานในบาปกรรมนั้นได้แล้วบาปไม่มีอยู่ในจิตใจแล้วอย่างนี้นะใจก็เบิกบานผ่องแผ้วอใจมีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่เป็นที่พึ่งแล้วก็สบายแต่เมื่อสบายแล้วอย่างนี้พิจารณาดูเห็นว่าบุญกุศลที่ตน มีอยู่นี่ยังไม่มากพอยังไม่เต็มยังจะละกิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดอะไรเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องทำต่างสมบุญเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆไปได้แก่การรักษาสินให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าสัมรวมในสินให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป และบำเพ็ญสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปแบบนี้นะอย่าไปนิ้งนอนใจว่าเราทำสมาธิพอแล้วอย่างนี้ยังไม่พอถ้าหากว่ายัางละกิเลสตัณหาอุปทานนี้ยังไม่หมดกลับใดแล้ ว, วการทำสมาธิการรักษาสินก็จงเข้มงวดขึ้นไปแหละมันถึงมีกำลังได้เป็นอย่างนั้น จะไปทําอ่อนแออยู่เหมือนแต่ก่อนไม่ได้ต้องเข้มแข็งขึ้นไปกูเก่าเรื่อยๆไปแล้วมันจเจริญปัญญาให้เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปัญญามันต้องอาศัยสมาธินะปัญญาอันนี่นะ่ะไม่ได้อาศัยตำหลับตำลาภายนอกไม่ไม่ได้อาศัยอย่างนั้นอาศัย สมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญานี่เนะีดังนั้นการพิจารณาอะไรก็พิจารณาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพิจารณาอยู่ภายในนั่นแหละรู้แจ้งก็รู้แจ้งอยู่ภายในนั่นละอุปทานได้ก็ละอยู่ภายในนั่นไม่ได้เป็นละอยู่ข้างนอกไม่ได้รู้แจ้งอยู่ข้างนอกรู้แจ้งอยู่ภายในจิตใจนั่นเองเนะี่ยอืมอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บุคคลมาเข้าใจให้ถูกต้องอย่างที่ว่านั้นแล้วก็บำตั้งอยู่ในอั ป, ปมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความชั่วทั้งหลายเป็นต้นดังกล่าวมานั้นได้ดังแสดงมา